การฟังเทศฟังธรรมนี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งเหมือนกับการเดินจงกรมนั่งสมาธิถ้าการนั่งฟังเทศฟังธรรมฟังด้วยกายว่าจะใจที่สงบ คือกายก็นั่งอยู่เฉยๆไม่เคลื่อนไหวไม่มีการกระทําทางกายวาจาก็สงบไม่มีการพูดทางวาจาใจก็สงบตั้งมั่นอยู่กับการฟังเทศฟังธรรมถ้าฟังแบบนี้ ก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมและเป็นได้ทั้งสมถภาวนาหรือวิปัสนาภาวนาถ้าเป็นสมถภาวนาก็มีสติจดจ่ออยู่กับเสียงธรรมที่เข้ามาสัมผัสกับใจใจไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ใจเกาะติดอยู่กับเสียงธรรมที่เข้ามาสัมผัสถึงแม้จะไม่เข้าใจความหมายแต่ใจยึดเสียงนั้นเป็นอารมณ์ใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ถ้าฟังแล้วพิจารณาเข้าใจความหมายของเสียงธรรมที่เข้ามาสัมผัส พิจารณาเหตุและผลตามผู้แสดงได้พิจารณาได้ได้แสดงถ้าเข้าใจความหมายของธรรมเข้าใจว่าเหตุเป็นอย่างนี้ผลจึงเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นปัญญาขึ้นมาเป็นวิปัสสนาภาวนาขึ้นมานี่คือเรื่องของ ภาคปฏิบัติจะถือการฟังเทศฟังธรรมเป็นภาคปฏิบัติที่สําคัญอย่างยิ่งเพราะการฟังเทศฟังธรรมนี้จะทําให้ได้ยินได้ฟังธรรมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน 2. องธรรมที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วเมื่อได้ฟังซ้ําอีก ก็จะเกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นไปตามลำดับจนสามารถบรรลุเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาได้ในทางภาคปฏิบัติการได้ฟังเทศฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ผู้ที่ได้บรรลุธรรมแล้วจึง เ, เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก สัมพันธ์ยิ่งกว่าการปฏิบัติตามลําพังเพราะถ้าไปปฏิบัติตามลําพังโดยที่ไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมก็จะหลงทางได้จะไม่รู้จักทางที่ถูกต้องว่าควรจะดําเนินอย่างไรควรจะปฏิบัติอย่างไรการฟังธรรมนี้ เท่าที่จําได้หลวงตาท่านเคยพูดว่ามีความสําคัญมากสําคัญกว่าการปฏิบัติธรรมพอถ้าขาดการฟังเทศฟังธรรมจะไม่รู้จักวิธีที่ปฏิบัติที่ถูกต้องนั่นเองเมื่อไม่รู้จักวิธีที่ปฏิบัติที่ถูกต้องก็จะไม่สามารถบรรลุ ถ, ถึงผลที่ถูกต้องได้ แต่การฟังเทศฟังธรรมเพียงอย่างเดียวนี้ก็ไม่พอคือจะต้องฟังแล้วนําเอาไปปฏิบัติต่อเพราะเวลาที่ฟังเทศฟังธรรมนั้นไม่ได้หมายความว่าจะบรรลุทำได้ทุกครั้งไปถ้าฟังแล้วยังไม่บรรลุก็ต้องนําเอาไปปฏิบัติต่อปฏิบัติไป จนกว่าจะบรรลุถ้าไม่บรรลุก็กลับมาฟังใหม่ฟังซ้ําแล้วซ้ําอีกกับการปฏิบัติซ้ําแล้วซ้ําอีกไปอย่างนี้ไปได้เรื่อยจนกว่าจะถึงเป้าหมายที่ต้องการคือการบรรลุธรรมขั้นต่างๆการฟังเทศน์ฟังธรรมกับการปฏิบัติธรรมจึงเป็นของคู่กัน ไม่ได้เป็นของแยกออกจากกันปฏิบัติไปควบฟังเทศฟังธรรมไปควบคู่กับการปฏิบัติไม่เหมือนในสมัยนี้ที่มีการแยกภาคปฏิบัติจากภาคฟังเทศฟังธรรมคือภาคปริยัติธรรมมีแต่ศึกษาล้วนๆไม่มีการปฏิบัติเลย รอให้ศึกษาให้จบพระไตรปิฎกก่อนแล้วค่อยออกปฏิบัตินะพอเรียนจบแล้วแทนที่จะออกปฏิบัติก็ไม่ได้ออกเพราะไปติดอยู่กับการศึกษาไปคิดว่าผลที่ได้จากการศึกษานั้นเป็นผลแล้วได้ผลแล้วแต่ความจริงกิเลสตัณหา ตัวที่จะวัดผลนั้นยังมีอยู่เต็มหัวใจและมีมากกว่าตอนที่ไม่ได้ศึกษาจบเสียด้วยซ้ำไปเพราะเวลาศึกษาจบก็จะได้รับปริญญาได้ใบรับรองว่าได้จบปริญญาขั้นนั้นขั้นนี้ก็เลยทำให้คิดว่าตนเองนั้นเป็นผู้มีความรู้ คิดว่าตอนเองได้บรรลุธรรมแล้วผู้ที่ศึกษาทางปริยัติธรรมจึงมักไม่ออกไปสู่การปฏิบัติเพราะคิดว่าตนได้สําเร็จแล้วได้บรรลุแล้วได้รเรียนธรรมก้าประโยชแล้วได้รู้พระตไตรปิฎกหมดทั้งตู้แล้วไม่มีความจำเป็นที่จะต้องออกปฏิบัติ ได้รับลาบสการลจากการได้ได้เรียนจบป ร, ริยนธรรมนี้แล้วได้ตำแหน่งต่างๆได้เป็นได้ยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆนี่คือการศึกษาในสมัยปัจจุบันนี้ศึกษาเพื่อให้ได้รับปริญญาได้รับใบประกาศนียบัตร รับรองว่าได้เรียนมาแล้วได้รู้แล้วพระไตรปิฎกคําสอนของพระพุทธเจ้ารู้ทั้งภาษาท่านู้ทั้งภาษาคือภาษาบาลีภาษาของคําสอนสามารถอ่านออกเขียนได้ในภาษาบาลีสามารถรู้ธรรมะต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ส่งแสดงไว้ไม่ว่าจะเป็น มรแปดอริ ย, 4, ยสัจสี่ไตสิกขาสินสมาธิปัญญาหรือทานสินภาวนามงคลสามสิบแปดสติปัฏฐานสี่ธรรมจากักปวัตตนสูตรรู้หมดแต่กิเลตันหาก็หาได้หมดจากความรู้เหล่านี้ไหมเพราะความรู้เหล่านี้ ไม่ได้เป็นความรู้ที่ออกมาจากกา ร, การปฏิบัตินั่นเองเป็นความรู้ที่ออกมาจากความจำได้หมายรู้ได้ยินได้ฟังได้อ่านหนังสือแล้วก็เอามาท่องจำไว้ในภายในใจแต่ความรู้แบบนี้ไม่มีกำลังที่จะไปทำลายกิเลสตัณหา ตัวที่เป็นเป้าหมายของการปฏิบัติถ้าเป็นยาก็เป็นเหมือนยาปลอมยาที่กินเข้าไปแล้วไม่สามารถที่จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้เพราะเป็นแป้งแป้งเปล่าๆนั่นเองที่เขาผลิตยาปลอมกันเขาก็ใช้แป้งนี่แหละมาทำเป็นเมล็ดยาแล้วก็บอกว่าเป็นยาชนิดนั้นชนิดนี้ คนไม่รู้เอาไปรับประทานรับประทานแล้วโรคภัยใกล้เก็บก็ไม่หายเพราะมันไม่ได้เป็นยามันเป็นแป้งความรู้ทางด้านการศึกษาทางปริยัติธรรมเคยรู้เพื่อจดจำนี้เป็นความรู้ที่ไม่สามารถที่จะมากำจัดทำลายกิเลสตัณหา ที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ของความวุ่นวายใจต่างๆได้เพราะไม่ได้เป็นความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัตินี้ต้องเกิดจากการฟังรมด้วยกายวาจาใจที่สงบฟังไม่ได้ฟังเพื่อความเข้าใจ ไม่ฟังไม่ได้ฟังเพื่อความจดจำฟังเพื่อความเข้าใจเข้าใจถึงเหตุและผลของธรรมในระดับต่างๆถ้าเข้าใจว่าเหตุนี้ทำให้เกิดผลอย่างนี้ขึ้นมาแล้วนำไปปฏิบัติสร้างเหตุนี้ขึ้นมาผลก็จะได้ขึ้นมาตามเหตุนั้นอย่างนี้เป็น เนี่ยเรื่องของการปฏิบัติฟังแล้วต้องนำเอาไปปฏิบัติ ท, ทันทีถ้าไม่เอาไปปฏิบัติเดี๋ยวไม่นานก็จะลืมก็จะจางหายไปพอจางหายไปก็ต้องกลับมาฟังเทศฟังธรรมใหม่การฟังเทศฟังธรรมจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องฟังอยู่เรื่อ ย, เ, อยเป็นระยะเวลายะ นังที่สองตัดสอนไว้ว่ากาเลนะธรรมะสวงังเอตัมมังกลมุตตมังการฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งในสมัยพระพุทธการหรือในสมัยโบราณท่านก็ใช้วันพระเป็นวันฟังธรรมทุกเจวันแปดวันเป็นวันพระวันธรรมัสวันา ก็เข้าวัดฟังเทศฟังธรรมกันฟังแล้วก็ปฏิบัติกันไปควบคู่กันไปฟังเรื่องของการทําทานก็ให้ทานกันฟังเรื่องของการรักษาศีลก็รักษาศีลกันฟังเรื่องของการภาวนาก็ภาวนากันสมถภาวนาก็ทําใจให้สงบใจสงบ ก็ต้องใช้สติเป็นตัวกากับใจควบคุมใจไม่ให้ลอยไปลอยมาไม่ให้ไปลอยไปหาเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ไปอดีตไม่ไปอนาคตให้ตั้งอยู่ในปัจจุบันให้สักแต่ว่ารู้อยู่กับสิ่งที่เรากาหนดให้ใจรับรู้เพื่อที่จะ ดึงใจให้เข้าสู่ความสงบให้ยุติความคิดปรุงแต่งต่างๆถ้ามีสติคอยควบคุมใจใจก็จะลอยไปอดีตไม่ได้ลอยไปอนาคตไม่ได้ลอยไปถึงคนนั้นคนนี้ไม่ได้ลอยไปหาเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ใจก็จะอยู่กับเรื่องที่ถูกบังคับให้อยู่เช่น ถ้าอยู่กับการบริกรรมพุโทโธใจก็จะไม่ลอยไปหาเรื่องอื่นจะอยู่กับคำบริกรรมพุโทโธถ้าอยู่กับคำบริกรรมพุโทโธได้ใจก็จะก้าวเข้าสู่ความสงบตามลำดับจนถึงความสงบอย่างเต็มที่นี่คือเรื่องของการเจริญส ม, มะถะภาวนา ทำใจให้สงบเพราะความสงบนี้เป็นความสุขอย่างยิ่งไม่มีความสุขใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบถ้าได้ความสงบนี้แล้วจะสามารถปล่อยวางความสุขต่างๆในโลกนี้ได้สามารถปล่อยความสุขที่ได้จากลาบยศสรรเสริญได้สามารถปล่อยวางความสุข ที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะได้สามารถอยู่คนเดียวได้ปริกวิเวททำใจอยู่กับความสงบของใจดีกว่าอยู่กับความสุขทางลาบยศสรรเสริญทางตาหูจมูกนิ้งกายเพราะเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขปลอมเพราะมีการเสรื่อมได้นั่นเอง ยามที่ความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นลดเสื่อมไปยามนั้นก็จะมีแต่ความทุกข์เข้ามาแทนที่แต่ความสุขที่ได้จากความสงบนี้จะอยู่กับใจไปตลอดเพราะใจมีเครื่องมือที่จะผลิตและรักษาความสงบนี้ไว้ตลอดนั่นเองนั่นก็คือสติ ถ้ามีสติสามารถควบคุมใจไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆได้ใจเข้าสู่ความสงบความสงบนั้นก็จะอยู่กับใจไปเรื่อยๆยกเว้นเวลาที่ออกจากความสงบมาเท่านั้นที่ความสงบนั้นยังมีโอกาสที่จะจางหายไปได้แต่ก็มีเครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งที่จะมา รักษาความสงบหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วไม่ให้จางหายไปได้เครื่องมือชิ้นนี้เราเรียกว่าปัญญาปัญญาก็คือการภาวนาระดับที่สองต่อจากสมถภาวนาคือวิปัสสนาภาวนาเวลาออกจากสมถภาวนาแล้ว ก็ต้องเข้าสู่การเจริญวิปัสนาภาวนาต่อไปเลยคือต้องควบคุมใจด้วยปัญญาด้วยความจริงเวลาใจออกมาจะถูกความหลงหลอกให้ไปหาความสุขทางลาบยศรเสิร์นหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสปุถุพะก็จะต้องใช้ปัญญาเข้ามาสอนใจว่า เป็นความสุขปลอมเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขเพราะไม่เที่ยงนั่นเองมีเจริญก็มีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาเป็นอนัตตาไปห้ามเขาไม่ได้ไปห้ามเขาไม่ให้เสื่อมไม่ได้ถึงเวลาเขาจะเสื่อมก็ต้องเสื่อมถ้ายึดติดกับเขาเป็นสิ่งที่ให้ความสุขเวลาเขาเสื่อมไป ความสุขนั้นก็จะหายไปความทุกข์ก็จะมาแทนที่เพราะมีความอยากได้ความสุขอย่างนั้นอีกเช่นคนที่สูญเสียคนรักไปก็ยังอยากจะให้คนรักนั้นกลับมาอยู่กับตันอยู่ทั้งๆ ท, ที่รู้ว่าเขาไปแล้วเขาไม่มีวันกลับแล้วแต่ก็ยังอดอยากไม่ได้อยากให้เขาอยู่ต่อไป อยากจะให้เขาให้ความสุขกับเราต่อไปเหมือนตอนที่เขามีชีวิตอยู่หรืออยู่กับเราแต่เขาจากเราไปแล้วแต่ใจไม่ยอมให้จากพอมีความอยากก็เลยทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้านำนับความอยากได้ยอมรับว่าเขาไปแล้วความสุขที่ได้จากเขานั้นหมดแล้ว ไม่มีวันที่จะกลับมาได้แล้วถ้ายอมรับความจริงนี้ได้ปล่อยวางความอยากที่จะให้ได้ความสุขแบบนั้นกลับคืนมาอีกได้ความทุกข์ใจก็จะไม่มีนี่คือวิปัสสนาขั้นที่สองต่อจากสมถภาวนาขั้นแรกให้สร้างความสงบสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบ ด้วยการควบคุมใจไม่ให้คิดปรุงแต่งให้หยุดความคิดปรุงแต่งพอได้ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้แล้วพอใจถอนออกจากความสงบออกมาคิดปรุงแต่งก็ต้องอย่าให้ใจคิดไปในทางความอยากต่างๆเพราะจะทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมานั่นเองจะทําลายความสงบที่ได้จาก การอยู่ในสมาธิจะทำลายความสุขที่ได้จากความสงบต้องห้าไม่ให้คิดไปในทางความอยากการที่จะไม่คิดไปในทางความอยากได้ก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่อยากได้นั้นเป็นของที่ไม่เที่ยงนั่นเองเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขปลอมที่จะมีวันต้องเสื่อมต้องหมดไป แล้ไม่มีใครสามารถที่จะไปห้ามได้เป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศดินน้ำลมไฟที่มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆถ้าไปชอบไปรักสิ่งที่ต้องเสื่อมต้องจากไปก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาที่เขาเสื่อมไปจากไป เพราะยังมีความอยากให้เขาอยู่กับเราต่อไปนั่นเองนี่คือขั้นวิปัสนาภาวนาหลังจากออกสมถะภาวนามาแล้วพอใจเริ่มคิดปรุงแต่งไปทางความอยากก็ต้องใช้ความคิดปรุงแต่งไปทางปัญญามาแก้กันอยากได้อะไรก็ต้องพิจารณาว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้เขาให้ความสุขกับเราอยู่กับเราไปได้เสมอไม่ช้าก็เร็ววันใดวันหนึ่งก็จะต้องมีการเสื่อมจากกันไปถ้าเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้ความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะหายไปความอยากได้ความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะหายไป เมื่อไม่มีความอยากได้แล้วใจก็จะมีแต่ความสงบตลอดเวลาถ้าไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจการทำงานของวิปัสสนาภาวนาก็ไม่ต้องทำอีกต่อไปเพราะวิปัสสนาภาวนาก็เป็นเหมือนยารักษาโรคนี้เองถ้าโรคภัยไข้เจ็บหายแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรับประทานยาอีกต่อไป ผูปฏิบัติเมื่อสามารถกาจัดตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้แล้วการเจริญปัญญาการเจริญสมรรการเจริญวิปัสสนาภาวนาก็หมดหน้าที่ไปไม่ต้องทำเพราะว่าไม่มีเหตุให้ทำนั่นเองเพราะเหตุก็คือความอยากเมื่อไม่มีความอยาก ก็ไม่ต้องใช้วิปัสสนาภาวนามากําจัดความอยากเหมือนกับไม่มีเชื้อโรคในร่างกายก็ไม่ต้องใช้ยามากําจัดเชื้อโรคไม่ต้องรับประทานยาเพราะรับประทานหรือไม่รับประทานผลก็เท่ากันเวลาเราสุขเราสบายเราไปรับประทานยามันก็ไม่มีผลอะไรแตกต่างกัน แต่เวลาเราไม่สบายนี้มีผลถ้าไม่รับประทานโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่หายถ้ารับประทานโรคภัยไข้เจ็บก็จะหายไปฉันใดถ้าเรายังมีตัณหาความอยากอยู่เราก็ต้องมีวิปัสสนาภาวนามาแก้ถ้าเรายังไม่มีสมถภาวนา เราก็ต้องสร้างสมถภาวนาขึ้นมาก่อนเราถึงจะสามารถที่จะรักษาความสุขที่เกิดจากความสงบได้ถ้ายังไม่มีความสุขที่เกิดจากความสงบเราจะไปรักษาอะไรก็เหมือนกับถ้าเราไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเราไปจ้างรอปพมาเฝ้าสมบัติทําไม เฝ้าแต่ตู้เซ้เปล่าเฝ้าไปก็เสียเงินเสียทองไปเปล่ า, ลาไม่เกิดประโยชน์อะไรวิปัสนาภาวนานี้มันต้องมาหลังจากที่ได้สมถะภาวนาแล้วได้สมบัติแล้วได้ได้ความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วถึงจำเป็นจะต้องใช้วิปัสนาภาวนามารักษาความความสุขที่ได้จากความสงบ เหมือนกับที่เราพอมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากๆเราก็ต้องไปซื้อตู้เซฟมาเก็บแล้วก็ไปจ้างรอปพมาเฝ้าเพื่อรักษาเพื่อป้องกันไม่ให้ใครมาขโมยมาป้นมาจี้ทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่พอเรามีความสุขที่ได้จากความสงบแล้วเราก็ต้องไปจ้างปัญญามารักษามาเพราะว่า ขโมยหรือโจรที่จะมาป้นทรัพสมบัติคือความสงบของเรานี้ก็คือตันหาความอยากต่างๆนั่นเองผู้ที่จะสามารถบาปตันหาได้ก็คือปัญญาเหมือนกับผู้ที่จะป้องกันโจรผู้ร้ายไม่ให้เข้ามาขโมยทรัพสมบัติเข้าของเงินทองได้ก็ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือรอปพ ผู้มีความรู้ความสามารถในการที่จะปกป้งองรักษาทรัพสมบัติอันมีค่าของเรานี้ไว้ได้นี่การปฏิบัติธรรมก็เป็นแบบนั้นขั้นต้นนี้เราต้องหาทรัพย์สมบัติเข้ามาไว้ในใจของเราก่อนคือหาความสุขที่เกิดจากความสงบภายในใจนี้ให้ได้ก่อนเมื่อได้แล้วก็ต้องไปจ้าง รอปพคือวิปัสสนาหรือปัญญามาดูแลรักษาความสุขที่ได้จากความสงบนี้เวลาออกจากสมาธิมาถ้าเราออกจากสมาธิมาแล้วไม่มีปัญญาเดี๋ยวไม่นานความสงบนี้ก็จะหายไปแล้วก็จะมีความอยากต่างๆเข้ามารุมเร้าจิตใจจนทำให้ มีแต่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลานะถ้าไม่มีปัญญาก็มีวิธีแก้กวิธีหนึ่งก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่ถ้ายังไม่สามารถใช้ปัญญาทำลายโยนผู้ร้ายคือกิเลสตัณหาที่จะมาเอาทรัพย์คือความสงบของใจไป ก็ต้องกลับเข้าไปในความสงบก่อนถ้าใช้ปัญญาไม่เป็นอย่างพิจารณาไม่เป็นพิจารณาตายลักไม่เป็นพิจารณาว่าอนิจจังเป็นอย่างไรไม่เป็นพิจารณาว่าทุกขังเกิดขึ้นมาได้อย่างไรไม่เป็นพิจารณาว่าอนัตตานี้เป็นอย่างไรไม่เป็นก็ต้องกลับเข้าไปในสมถกก่อนกลับเข้าไปในสมาธิก่อนด้วยการเจริญสติ บริกรรมพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปอย่าให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆก็จะพอไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆความอยากายาก็กจะหายไปชั่วคราวใจก็กลับเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความสุขที่เกิดจากความสงบอันนี้ก็เป็นวิธีขั้นตอนของการปฏิบัติ ขั้นตอนแรกก็ต้องจเจริญส ม, มถภาวนาแล้วก็พอออกจากส ม, มถภาวนาก็หัดใช้ปัญญาพิจารณาทุกอย่างให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงฉันอยากจะได้แฟนก็ต้องดูว่าแฟนเขานี้ก็ไม่เที่ยงเขาเกิดแก่เจ็บตายวันดีคืนดีเขาอาจจะตายขึ้นมาทันทีทันใดก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องรอถึงวัย ชาลาเสงจะตายสมัยนี้ทุกสมัยก็เหมือนกันมีเวลาตายได้ทุกเวลาจะตายตอนอายุยี่สิบก็ได้สามสิบก็ได้สี่สิบก็ได้ห้าสิบก็ได้ไม่แน่นอนนี่คาว่านิจจันก็คือไม่แน่นอนมีวันที่จะเสื่อมมีวันที่จะหายไปได้หมดไปได้เสมอทุกเวลาถ้าเห็นความ ไม่แน่นอนเห็นความเสื่อมของสิ่งที่เราอยากได้เราก็จะหยุดความอยากได้หรือถ้าอยังหรือถ้าไปเห็นว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่าเวลาเขาจากไปแล้วเรายังอยากให้เขาอยู่เราก็จะทุกข์ใจไปดูคนที่ร้องห่มร้องไห้เวลาที่ไปงานศพดู เวลาที่เขาสูญเสียคนที่เขารักไปแต่ใจเขายังไม่พร้อมที่จะให้เขาจากไปยังอยากจะให้เขากลับมายังอยากจะให้เขาอยู่เหมือนกับตอนที่เขามีชีวิตอยู่ทั้งทั้งที่รู้ว่าเขาไม่กลับมาแล้วแต่ใจก็ดื้อไม่ยอมรับความจริงเอาแต่ร้องห่มร้องไห้นั่นแหละเรียกว่าเป็นความสุขหรือความทุกข์ห้พิจณาอย่างนี้ เวลาอยากได้อะไรไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือบุคคลเป็นเหมือนกันเป็นอนิจจงเหมือนกันคือจะต้องมีการเสื่อมมีการจากกันเป็นอนัตตาห้ามไม่ได้ไปสั่งไม่ได้ไปซื้อประกันภัยมาห้ามไม่ให้เขาจากเราไปไม่ได้ไปซื้อประกันชีวิตมาห้ามไม่ให้เขาจากเราไปไม่ได้ ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ใครจะสามารถควบคุมบังคับสั่งให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เสมอไปไม่ช้าก็เร็วต้องไปเจอเวลาที่เขาไม่ยอมรับคําสั่งของเราเวลานั้นก็จะเป็นเวลาที่เป็นเวลาของความทุกข์ไม่ใช่เป็นเวลาของความสุขนี่คือการพิจารณาทางปัญญา ให้พิจารณากับทุกเรื่องทุกอย่างที่เราชอบเราอยากเรารักเนี่ยสาคัญมากส่วนใหญ่เราจะรักอะไรกันรรก็รักลาบยศสรรเสริญรักรูปเสียงกลิ่นรสผลพระที่ถูก อ, อกถูกใจต้องพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงมันจะต้องมีการจากกันไปห้ามไม่ได้ แล้วเวลาจากกันไปก็จะมีแต่ความทุกข์ใจเพราะมีความอยากให้เขาไม่จากเราไปนั่นเองต้องพิจารณากับทุกเรื่องทุกอย่างเพื่อที่จะได้อยู่แบบไม่มีอะไรอยู่แบบอยู่กับความสงบเพียงอย่างเดียวพอแม้แต่ร่างกายนี้ก็เหมือนกันร่างกายนี้ก็ห้ามเขาไม่ได้ห้ามไม่ให้เขาจากเราไปไม่ได้ ไม่ช้าก็เล็วสักวันหนึ่งเขาจะต้องจากเราไปอย่างแน่นอนไม่ต้องไปอาศัยเขาเป็นเครื่องมือหาความสุขเพราะเรามีเครื่องมือใหม่ที่ดีกว่าเครื่องมือใหม่ที่มาแทนร่างกายก็คือสติธรรมนี่เองปัญญาธรรมมีสติสมาธิมีปัญญาแล้วไม่ต้องใช้ร่างกายมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายก็ไม่เป็นปัญหา สมัยที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรูแล้วมีร่างกายท่านก็ไม่ได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเพราะท่านมีวิมุตติที่เกิดจากธรรมก็คือสติปัญญาสติสมาธิปัญญาธรรมนี้เองท่านไม่ต้องใช้ร่างกายเหมือนสมัยที่ท่านประทับอยู่ในพระราชวังสมัยนั้นท่านต้องใช้ร่างกาย จัดงานเลี้ยงงานบันเทิงต่างๆใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือไว้ดูไว้ฟังไว้ดื่มไว้รับประทานไว้ร่วมรับนอนกับคนนั้นคนนี้แต่พอทรงออกผนวนทรงบำเพ็ญสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาได้ก็เลยมีเครื่องมืออีกแบบหนึ่งก็คือมีธรรมเป็นเครื่องมือผลิตความสุขให้กับพ่อ พระ อ, องค์เลยไม่ต้องจัดงานเลี้ยงอีกต่อไปไม่ต้องกลับไปประทับอยู่ในพระราชวังและหลังจากที่พระวรากายของพระ อ, องค์ได้ถึงการอวสานคือถึงการสิ้นสุดพระองค์ก็ไม่ได้ไปแสวงหาพระวรากายอันใหม่อีกต่อไปทรงประทับอยู่อยู่ กับความสงบที่ได้จากการปฏิบัติธรรมไม่ต้องมีร่างกายทรงประทับอยู่แบบนี้ในขณะนี้และก็จะเป็นแบบนี้ไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดไม่เหมือนกับพวกเราที่จะต้องเปลี่ยนร่างกายไปเรื่อยๆหมดร่างกายนี้ก็ไปหาร่างกายอันใหม่เพราะยังต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุข ทางตาหูจมูกลิ้นกายกันได้มากี่ร่างกายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปทุกร่างกายต้องทุกกับความแก่ทุกกับความเจ็บทุกกับความตายไปแต่ก็หยุดไม่ได้เพราะยังไม่มีธรรมที่จะมาหยุดความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือนั่นเองถ้าปฏิบัติทําได้ยิ น, นสติได้ นั่งสมาธิทําใจให้สงบได้ได้ความสุขที่เกิดจากความสงบได้ก็ไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วถ้ามีปัญญารักษาความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่อีกต่อไปนี่แหละคือเป้าหมายของการปฏิบัติอยู่ที่การเสริมสร้างความสุขภายในใจ แล้วรักษาความสุขภายในใจนั้นด้วยธรรมที่พระเจ้าได้สรงค้นพบนคือวิปัสสนาธรรมส่งค้นพบว่าวิธีที่จะรักษาความสุขที่เกิดจากความสงบหลังจากออกจากสมาธิมาแล้วนีนต้องใช้ปัญญาปัญญาก็คือการเห็นความจริงของสภาวธรรมทั้งหลายที่ใจยังหลงอยาก ได้ยังคิดว่าให้ความสุขกับใจอยู่ให้เห็นว่าเขาไม่ได้ให้ความสุขเขาให้ความทุกข์อย่างที่คนในโลกนี้อย่างสัตว์โลกทั้งหลายตอนนี้ทุกข์กับอะไรก็ทุกข์กับสิ่งที่ตนคิดว่าให้ความสุขกับตนนั้นเองทุกข์กับสามีทุกข์กับภรรยาทุกข์กับบุตรทุกข์กับทิดาทุกข์กับทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง เพราะคิดว่าสิ่งเหล่านี้ให้ความสุขกับตนนั่นเองแต่ความจริงมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ตนเองคิดถ้ามันให้ความสุข้วต้องมาโวยวายมาร้องห่มร้องไห้มาวุ่นวายกันทำไมกับสิ่งต่างๆที่ตนเองมีอยู่ก็เพราะว่ามันเป็นความทุกข์มันไม่ใช่เป็นความสุขเพราะมันจะต้องมีการพัดภาคจากกัน มีการสูญเสียมีการสูญสลายมีการหมดไปนั่นเองอันนี้ถ้าพิจารณาด้วยปัญญาพิจารณาเห็นไตรลักษณ์อยู่เรื่อยๆความอยากที่จะได้สิ่งต่างๆในโลกนี้ก็จะหมดไปไม่ต้องมีสิ่งต่างๆในโลกนี้กับมีความสุขมากกว่าการมีสิ่งต่างๆอันนี้เป็นความจริงที่ ไม่มีใครในโลกนี้รู้กันนอกจากพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายเท่านั้นที่รู้กันท่านจึงอยู่แบบไม่มีอะไรทําไมทําไมท่านไม่มีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองมีได้มาเท่าไหร่ก็ไม่เก็บเอาไว้ไม่ยึดไม่ติดเอาไปทําประโยชน์ให้แก่โลกหมดเพราะท่านเห็นว่ามันเป็นทุกข์นั่นเอง มันไม่ได้เป็นสุขมันเป็นประโยชน์ก็เพียงแต่เพื่อดูแลร่างกายนี้เท่านั้นเองแต่ร่างกายนี้ต่อให้ดูแลด้วยทรัพย์สมบัติมากน้อยเพียงไรก็ตา่างก็ดูแลได้เพียงในขอบเขตของมันเท่านั้นเองทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองต่อให้มีมากมีน้อยเพียงไรก็ไม่สามารถรักษาร่างกายให้อยู่ไปตลอดได้ ร่างกายมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปตามเวลาของมันไม่ว่าจะเป็นร่างกายของขอทานหรือร่างกายของมหาเศรษฐีก็เป็นแบบเดียวกันเงินทองของมหาเศรษฐีก็ไปยับยั้งความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้ขอทานที่ไม่มีเงินทองก็ไม่สามารถไปยับยั้งได้เช่นเดียวกันดังนั้น ผู้ที่จะจาจึงไม่จะแหวงหาอะไรมาให้ความสุขกับตนเพราะเห็นด้วยปัญญาว่าเป็นทุกข์นั่นเองทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่าไปรักษามันไม่ได้ไปสั่งให้มันอยู่กับตนไปตลอดไม่ได้เรียกว่าเป็นอนัตตาเือไม่อยู่ภายใต้คําสั่งของของเรานั่นเองมันเป็น เรื่องของธรรมชาติมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาห้ามไม่ได้ถ้าอยากให้ไม่เสื่อมก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาผู้ที่เข้าใจหลักนี้ก็จะไม่มีความทุกข์ใจเวลาอะไรจะเสื่อมก็ปล่อยให้เสื่อมไปถ้ายังพอจะประวิงเวลาไว้ได้ก็ประวิงไป เช่นร่างกายถ้ายัางพอที่จะเยียวยารักษาให้อยู่ต่อไปได้อีกสักระยะหนึ่งก็ดูแลไปหรือถ้าไม่ดูแลก็ปล่อยมันไปก็ได้อย่างที่พระเจ้าเคยตรัสกับพระอานุนว่าผู้ที่ได้จะเดินอิทธิบาทสี่คือพระอรหันต์นี้ท่านมีพลังจิตที่จะสามารถตวิงเวลาการตายของร่างกายนี้ได้ ท่านสามารถที่จะดูแลรักษาร่างกายนี้ให้อยู่ต่อไปได้อีกระยะหนึ่งแต่ถ้าท่านไม่ดูแลท่านปล่อยมันก็จะไปเร็วกว่าที่การได้รับการดูแลนั่นเองแต่จะดูแลหรือไม่ดูแลในที่สุดมันก็ต้องตายอยู่ดีไม่ต่างกันตายช้าตายเร็วเท่านั้นเอง นี่คือปัญญาที่ต้องต้องเกิดขึ้นหลังจากที่ได้สถมถภาวนาแล้วได้ความสงบแล้วต้องหัดเจริญปัญญาต้องหัดพิจารณาหัดพิจารณาความเสื่อมพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปมีมาก็ต้องมีไปมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมไป ให้พิจารณาอย่างนั้นไปเรื่อยๆแล้วต่อไปก็จะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรถ้าอยากมีคู่ครองยังอยากหาความสุขจากการเสพกามก็ต้องพิจารณาความไม่สวยงามของร่างกายเพราะการอารมณ์นี้เกิดจากการไปเห็นความสวยงามของร่างกายร่างกายนี้ก็มี มีสองมิติด้วยกันเวลาที่เราตกแต่งเวลาที่เราเสริมสวยเวลาที่เราแต่งหน้าทาปากใส่เสื้อใส่เสื้อผ้าวิจิตรพิสดารก็ทำให้เห็นร่างกายนี้สวยงามอย่างที่เวลาที่เขาประกวดนางงามจากกวานกัน อ, อันนั้นเขาเสริมกันอย่างสุดๆอย่างเต็มที่ ช้างเจ้าหน้าที่ผู้มีความชํานาญในการเสริมความสริมความงามในรูปแบบต่างๆช่างผมช่างทาหน้าทาปากช่างทาเล็บทานช่างผิวหนังช่างเสื้อผ้าร้อยแปดมาร่วมกันเสริมความงามของร่างกายเพื่อไปประกวดเพื่อจะได้รับรางวัลที่หนึ่งอันนี้ ก็เป็นมิติหนึ่งของร่างกายอีกมิติหนึ่งของร่างกายก็คือมัน ก, มก็มีส่วนที่ไม่สวยไม่งาม เ, าเวลาที่มันไม่ได้แต่งหน้าทาปากไม่ได้วีเข้าวีผมไม่ได้อาบน้ำอาบท่ า, ามันก็มีความไม่น่าดูอีกแบบหนึง่งหรือเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยเวล า, าที่แก่ชราหรือเวลาที่ตายไป ร่างกายก็ไม่ดูไม่สวยไม่งามไม่มีใครอยากจะแต่งงานกับคนตายไม่มีใครอยากจะแต่งงานกับคนแก่ไม่มีใครอยากจะแต่งาตาาต ง, าาตงานกับคนเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเขาเป็นโรคเอดนี่อยากจะไปสู่ขอเขาไหมอยากจะขอให้เขามาเป็นภรรยาเป็นสามีหรือไม่นี่คืออีกมิติหนึ่งของร่างกายที่เราเรียกว่าอสุภะอสุภะไม่สวยไม่งาม ถ้าเรามีความอยากที่จะมีแฟนเราก็ต้องใช้อสุภะนี้มาตัดความอยากอันนี้ออกไปถ้าเห็นว่ามันไม่สวยไม่งามน่าเกลียดหน้ากลัวถ้ารู้ว่าเป็นโลกเลือนโลกระบาดนี้ยังอยากจะได้เขามาเป็นแฟนหรือไม่นี่แหละคือสิ่งที่เราต้องพิจารณาเรียกว่าปัญญาเพื่อที่จะได้หยุดตัณหาความอยากต่างๆ ที่จะดึงใจให้เดินเข้าสู่กองทุกนั่นเองพอปัญญารู้ทันความอยากทุกรูปแบบแล้วความอยากต่างๆก็จะหมดกำลังไปเองแล้วก็จะไม่โผล่ขึ้นมาอีกต่อไปเมื่อหมดแล้วปัญญาก็หมดหนาทีไม่ต้องพิจารณาอีกต่อไปเพราะไม่มีความอยากมา ลากใจให้เดินเข้าสู่กองทุกนั่นเองถ้ายังมีอยู่ก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปผู้ปฏิบัติรู้เองเหมือนคนไข้นี่จะรู้เองว่าตนเองหายจากโรคภัยไข้เจ็บหรือยังไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องไปถามหมอว่าหนูหาย ห, ายหรือยังเวลาไข้าหายแล้วบางทีหมอไม่รู้แต่คนไข้รู้หมอจะรู้ก็ต้องเอาประลอดมาวัดถึงจะรู้ว่าอา้าวมันหายแล้วนี่ ไข่มันหายไปแล้วแต่คนไข้ยังยอมยังไม่อยากออกจากโรงพยาบาลก็บอกว่ายังไม่หายพราะยังไม่อยากไปทํางานหรือไม่อยากจะกลับไปหาแฟนหรือหาปัญหาที่บ้านอยู่โรงพยาบาลสบายกว่ามีคนมาคอยเลี้ยงมาคอยดูตลอดเวลาดีไม่ดีมีนางพยาบาลสวยๆ ง, งามๆมาคอยดูแลรักษาสิ ก็อาจจะไม่อยากจะกลับไปหาแฟนที่บ้านก็ได้ก็อะไรยังไม่ยอมหายแก้งไว้ยังเป็นอยู่แต่หมอเขาก็เอาประหลอดมาวัดบอกมันหายแล้วกลับบ้านได้แล้วนี่ก็เหมือนการการปฏิบัติธรรมี้ผู้ปฏิบัติจะรู้เองว่าหมดหรือยังกิเลสหมดหรือยังความทุกข์หมดหรือยังไม่ต้องไปถามใครมันอยู่ในใจของเรานี่แหละ ถ้ายังมีความอยากอยู่มันก็ยังมีความทุกข์อยู่ถ้ายังมีความทุกข์อยู่ก็ต้องใช้ปัญญาต่อไปทุกข์กับเรื่องอะไรก็ต้องใช้ปัญญาเข้าไปสกัดกับเรื่องนั้นถ้าเรื่องของการอารมณ์ก็ต้องใช้อสุภะถ้าเรื่องของข่าวของเงินทองก็ต้องใช้อ น, นิจังทุกขังอนัตตาก็มีแค่นี้แหละมันไม่มีอะไรมากไปกว่านี้เรื่องของการปฏิบัติธรรม เพียงแต่ว่ามันมีขั้นมีตอนเท่านั้นที่ผู้ปฏิบัตินักจะไม่ยอมปฏิบัติตามขั้นตอนกันชอบกระโดดไปขั้นสุดท้ายเลยแทนที่จะเริ่มขี้ขั้นที่หนึ่งขึ้นสู่ขั้นที่สองแล้วค่อยไปขั้นที่สามนีม่ไปขั้นสุดท้ายเลยขั้นที่สามเลยแทนที่จะฝึกเจริญสติควบคุมความคิดไม่ให้ลอยไปลอยมาให้ตั้งอยู่ในปัจจุบันก็ออกพิจารณาทางปัญญาเลย ออกมาพิจารณามาไม่รู้กี่ปีแล้วกิเลสก็ไม่ตายสักตัวหนึ่งก็เพราะว่ามันไม่มีกําลังมันไม่รู้ว่าพิจารณาเพื่อเพื่ออะไรแต่ถ้ามีสติทําใจให้สงบแล้วใจมีความสุขจากความสงบแล้วทีนี้มันจะรู้แล้วพิจารณาเพื่ออะไรก็พิจารณาเพื่อรักษาความสงบอันนี้นั่นเองรักษาความสุขที่ได้จากความสงบอพอได้ความ สุขแล้วอยากความสงบนี้แล้วก็อยากจะให้มันสุขไปเรื่อยๆแต่พอออกจากสมาธิมามันก็หายเพราะความอยากมันมาแทนที่ก็ต้องมากําจัดความอยากนี้แต่กํำจัดความอยากนี้ดนได้ก็ต้องพิจารณาใจลงพิจารณาอสุภาษะเท่านั้นถึงจะตัดตันหาความอยากต่างๆให้หายไปได้เพื่อที่จะได้รักษาความสุขที่ได้จากความสงบนี้ให้คงอยู่ต่อไป ดังนั้นการปฏิบัติในเบื้องต้นนี้ต้องสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบให้ได้ก่อนเมื่อได้แล้วถึงค่อยใช้ปัญญามารักษาถ้ายังไม่มีความสุขที่ได้จากความสงบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปรักษาอะไรก็มีแต่ความหิวความอย า, อยากอยู่ภายในใจมีแต่ความอยากจะบรรลุอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่รู้ว่าการบรรลุนี้คืออะไรก็ไปคิดว่าการบรรลุก็คือ การเป็นนั่นเป็นนี่เป็นโสดาบันเป็นสกิทาคามีเป็นอนาคามีเป็นอรหันต์แต่ไม่รู้ว่าการเป็นพระอริยะบุคคลเหล่านี้เป็นได้อย่างไรก็เป็นได้เพราะว่าใจสงบนั่นเองใจไม่มีความอยากกับเรื่องราวต่างๆถึงถึงจะเป็นเป็นพระอริยะบุคคลได้ดังนั้น ต้องทำตามขั้นตอนอย่าไปกระโดดข้ามขั้นแล้วมันจะไม่รู้ว่าทำทำเพื่ออะไรพิจารณาตายรักเพื่ออะไรจะไม่รู้พิจารณาสุภาษะเพื่ออะไรจะไม่รู้เเพราะว่ามันมันไม่มีสิ่งที่จะรักษานั่นเองสิ่งที่เราต้องการจะรักษาก็คือความสุขที่ได้จากความสงบแล้วสิ่งที่จะรักษาความสุขที่ได้จากความสงบนี้ให้อยู่คงต่อไป ก็คือปัญญาคือการพิจารณาไตและการพิจารณาอสุภะถ้ายังไม่มีความสุขแล้วไปพิจารณามันก็ไม่เห็นผลแตกต่างกันอย่างไรพิจารณาแล้วมันก็ยังอยากอยู่นั่นแหละมันก็ยังหิวอยู่อย่างนั้นมันก็เพราะว่ามันไม่มีความสุขไม่มีความอิ่มอยู่ในใจนั่นเองจึงขอให้ท่านพยายามทาตามขั้นตอน ต้องทำสมถะภาวนาก่อนแล้วค่อยไปสู่วิปัสนาภาวนาหนังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญได้ปฏิบัติมาและพระสาวกทั้งหลายได้บำเพ็ญได้ปฏิบัติมาท่านตามตามขั้นตอนเหล่านี้ทั้งนั้นการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคะลังเอวเมวะอิโตทิน e ังเปตาหนังอุปการปติอิชิตังปฏทิตังตุมห um ังคิปะเมวะสมิจจตุสัเพปุเรนตุจังกะปาจันโทปนาระโสยะถามณิโชติ so การสโสยถาสัพพิตโยวิวัจจานตุสั พ, พโรโควินาศตุมาเตภวตวันตรารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีลิปสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโธรมมวัานติอายุวนโนสุขังภาลา อําดับต่อไปนี้ก็เป็นการถามตอบ ป, ปัญหาธรรมท่านผู้ใดยอยากจะถามคําถามอะไรก็ได้ขอให้ถามในช่วงนี้แหลยถ้าหลังจากที่ปิดไมโครโฟนแล้วก็ของลดการถามตอบ ป, ปัญหาเพราะถามแบบนี้จะได้ประโยชน์กับคนอื่นด้วยเพราะคนเหล่านี้เหมือนกันมีปัญหาอันเดียวกันคือกิเลส ต, ตัณหาความอยากต่างๆเหมือนกัน เพราะฉะนั้นไม่ต้องอายเราเป็นคนไข้มีโรคอันเดียวกันยารักษาก็ยาอันเดียวกันงนั้นถ้ามีอะไรจะถามก็ถามตอนนี้เลยเปิดโอกาสให้ถามได้เต็มที่แต่ถ้าหลังจากปิดไม้แล้วก็ต้องขอยุติเพราะว่าจะได้ไม่เหนื่อยมีใครอยากจะถามไมไม่มีก็เอาคำถามทางบ้านไป เ้าไปเป็นคำถามจากทางบ้านค่ะคำถามแรกจากผู้ฝากถามข้อที่หนึ่งเวลานั่งสมาธิแล้วเจอทุกขเวทนาพระอาจารย์บอกวิธีรับมือสองวิธีวิธีแรกใช้ปัญญาพิจารณาเพื่อปล่อยว่าวางว่ามันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาถ้ามีความอยากใจจะยิ่งทุกข์ให้ปล่อยให้รักมันเหมือนรักสูุขเวทนา แต่มันปล่อยไม่ขาดยังทำใจรักมันไม่ได้หนูพยายามทำใจฝืนรักแต่ลึกๆยังอยากให้มันไปไกลๆตอนเจ็บมากๆ ก, ก็อยากจะให้ครบเวลาที่ตั้งไว้หรือบางทีก็ลุกทั้งที่ไม่ครบเวลาแต่ถ้าทนอยู่กับทุกขเวทนาแบบแกล้งรักไปจนครบเวลาแต่พอได้ลุกก็รู้สึกดีใจอย่างนี้ก็เป็นอาการแบบมวยวัดอยู่ดีใช่ไหมคะ ทำยังไงถึงจะรักทุกขเวทนาได้จริงๆและสามารถอยู่กับมันได้อย่างสบายใจแต่ทุกวันนี้หนูก็ชอบที่จะนั่งสมาธิไปจนเจ็บเพราะมันรู้สึกคาใจว่าจะตั้งรับมันแบบไหนแต่พอเจอแล้วแพ้แบบไม่เป็นท่าทุกทีค่ะก็ทำแบบที่เราชอบสิ่งไหนที่เราชอบเรามักจะเข้าหาอยู่เรื่อยๆใช่ไห อันใดถ้าเราอยากจะชอบทุกขเวทนาเราก็ต้องเข้าหาทุกขเวทนาอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะชินกับมันแล้วก็จะอยู่กับมันได้เหมือนกับการรับประทานอาหารที่เราไม่ชอบแต่เราต้องรับประทานเช่นเราไปอยู่โรงเรียนกินนอนเขาจัดอาหารมาให้เรากินคนที่ไม่เคยอยู่โรงเรียนกินนอนไม่รู้ถ้าอยู่แล้วจะรู้อาหารก็ชนิดไหนเขาจัดมาให้ก็ต้องกินเพราะไม่กินก็อด ก็ต้องกินไปพอกินไปเรื่อยๆต่อไปมันก็ชินมันก็ติดบางทีไปกลับไปบ้านยังอยากจะกินอาหารที่โรงเรียนกินนอนจัดให้บอกให้แม่ช่วยทำอาหารแบบโรงเรียนกินนอนให้กินหน่อยออนี่ก็เป็นการฝึกใจเราหัดใจเราท่านั่นเองให้มันชอบในสิ่งที่มันไม่ชอบแล้วต่อไปมันจะไม่ต่อต้านพอมันไม่ต่อต้านแล้วความทุกข์ใจก็จะไม่มี เราต้องบังคับให้เรานั่งกับความเจ็บไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้วิธีสองวิธีนี่คือถ้าใช้ปัญญาได้ก็พิจารณาว่าเป็นสิ่งที่เราหนีไม่ได้หนีไม่พ้นจะต้องเจอมันอยู่เรื่อยๆเป็นเหมือนเงาตามตัวงั้นอย่าไปปฏิเสธเขาดีกว่าเอาเข้ามาเป็นมิตรดีกว่าดีกว่าเข้ามาเป็นศัตรูก็คืออยู่กับเขาไปอย่าไปอยากให้เขาหายไป แต่ถ้าใจยังเดิมไม่ยอมก็ใช้ส ม, มถะช่วยพุทธโธพุทธโธไปบริกรรมไปแต่อย่าลุกนี้จากความเจ็บนั้นถ้าอยู่ไปเรื่อยๆพุทธโธไปเรื่อยๆบางทีใจมันยอมมันก็เข้าอุเบกขาแล้วมันก็จะเฉยมันจะรู้เองว่าอันนี้แหละเป็นอุเบกขาเพราะความรู้สึกมันต่างกันเหมือนฟ้ากับเดินพอใจเป็นอุเบกขาแล้วนี่ความทุกข์ไม่มีเลยอยู่กับมันได้อย่างสบาย งขอให้พยายามใช้ทั้งสองอย่างเวลาสู้กับทุกขเวทนาใช้ปัญญาแล้วถ้ามันดื้อมันไม่ฟังก็ต้องใช้ส ม, มะถะช่วยให้มันบริกรรมพุทธโธไปสวดมนต์ไปก็ได้ท่องอาการสามไปก็ได้ให้มันมีอะไรทําเพื่อให้มันไม่ไปคิดถึงความเจ็บแล้วอยากให้มันหายไปเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวมันก็จะหยุดต่อต้านเอง แล้วมันก็จะอยู่กับทุกขเวทนาได้ต่อไปมันก็จะไม่กลัวทุกขเวทนาข้อที่สองแบบที่สองคือให้กอะติดอยู่กับความบริกรรมแบบฝากเป็นฝากตายอย่างหนูใช้พุทโธพุทโธ หนูสังเกตทุกครั้งพอพุทธโทรทีๆ ถ, ถึงจุดหนึ่งแล้วเหมือนใจจะขาดอาการเหมือนดำน้ำไม่มีเครื่องช่วยหายใจอยู่ใต้น้ำสักพักต้องตะเกียกตะกายขึ้นมาหายใจซึ่งพระอาจารย์ก็เคยบอกให้บริกรรมไปจนขาดใจตายเลยมันไม่ตายหรอกแต่พอเจอปัญหาเฉพาะหน้าแบบนี้หนูกลับกลัวตายทุกครั้งทั้งที่ก่อนเจอสภาวะแบบนี้ หนูก็คิดว่าตัวเองไม่กลัวตายแล้วพอครั้งต่อไปหนูก็ตั้งใจว่าหนูจะยอมขาดใจตายไปกับพุทธโธแต่พอถึงเวลาก็กลัวอีกวิธีแก้ปัญหาหนูต้องยอมขาดใจตายไปกับพุทธโธเลยใช่ไหมคะเพราะถ้าเผลอก็รู้สึกทรมานกับทุกขเวทนาทันทีเพราะถ้ายอมแล้วใจมันจะปล่อยไนเะพอมันจะตายนี้มันปล่อย เราต้องเข้าไปถึงขีดที่มันต้องบังคับให้มันปล่อยพอมันเจอความตายแล้วมันจะมันจะปล่อยเองอย่างขอให้เราพยายามทําไปเรื่อยๆถ้าครั้งนี้ยังไม่ผ่านก็ทำครั้งที่ครั้งต่อไปทํำไปเรื่อยๆไม่ช้าก็เร็วมันต้องผ่านอย่างแน่นอนขอให้เราอย่าท้อแท้อย่าถอยก็แล้วกันทําไปเรื่อยๆยกนี้สู้เขาไม่ได้ก็ยกหน้าสู้กันใหม่ ถ้าเราไม่หยุดเราสู้อยู่ตลอดในที่สุดเราก็จะชนะได้อย่างแน่นอนความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นถ้าเรายกธงขาวเมื่อไหร่เราก็จะแพ้ไปตลอดเจอเขาที่ไรก็ยกธงขาวทุกทีเราอย่ายกธงขาวเราต้องสู้ด้วยพุทธโธสู้ด้วยปัญญาแล้วรับรองได้ว่าต้องผ่านอย่างแน่นอนเพราะพระพุทธเจ้าก็ผ่านมาแล้วพระสาวก็ผ่านมาแล้ว คูบาอาจารย์ที่เรากลาบว่าบูชาท่านก็ผ่านมาแล้วทุกคนต้องผ่านทุกขเวทนาด้วยกันทั้งนั้นข้อที่สม ตั้งแต่ปฏิบัติมาหนูสังเกตว่าถ้าช่วงไหนใจเกาะติดอยู่กับคำบริกรรมเวลามีเรื่องราวหรือมีความคิดผุดขึ้นมาหนูจะสามารถอีกนอมันออกไปได้แต่ถ้าเผลอเมื่อไหร่ก็หลงไปกับความคิดยาวเป็นหนังยางยืดทุกทีกว่าจะรู้ตัวบางทีก็ไปมีอารมณ์กับเรื่องที่คิดแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่ความคิดมันจะหลอกว่าก็คิดแบบขุดคุย้ยหาเหตุผลแล้วปล่อยลงใจรักเป็นปัญญาอบรมสมาธิให้ใจเป็นปกติแต่ส่วนใหญ่มันก็คิดเลยเถิดยาวเป็นใยแมงมุมวิธีแก้ไขถ้าต่อไปเจอความคิดผุดขึ้นมาหนูควรรีบใช้พุทโธตัดมันไปไม่ต้องไปคิดหาเหตุผลเพราะยังไม่มีสมาธิ และปัญญาที่จะตัดมันได้จริงคิดแบบนี้ถูกต้องไหมคะก็เป็นเหมือนแม่ครัวเน่เวลาทํากับข้าวกับปลาก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหลายอย่างมีทั้งมีมีทั้งตะหลิวมีทั้งช้อนมีทั้งซ่อมทีนี้เวลาจะใช้เครื่องมือไหนก็ต้องพิจารณาดูถ้าใช้ช้อนไม่ได้ก็เอาซ่อมซ่อมไม่ได้ก็เอาตะหลิวอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราใช้ปัญญาอบรมสมาธิไม่ได้ก็ต้องกลับมาใช้ สามารถใช้สติบริกรรมพุโทโธไปมันต้องมันต้องใช้ปัญญามันต้องคิดแยกแยะดูว่าความสามารถของเราสามารถทําได้แบบไหนเราก็ทําแบบนั้นไปคํถาถามต่อไปจากคุณคมสรรเมื่อมรรคเกิดเต็มที่ย่อมกําหนดรู้ทุกเต็มที่ตอนนี้จิตของลูกภาวนาอยู่ที่มรรค ก, กาลังเกิด วิธีที่ใช้ปัจจุบันคือใช้คําบริกรรมพุโทโธกําหนดดูทุกขจากร่างกายทุกอิริยาบถเพียงอย่างเดียวลูกอยากได้คําแนะนําแนวทางการปฏิบัติจากพระอาจารย์ครับก็พิจารณาทุกก็ถูกแล้วแต่ต้องพิจารณาเหตุที่ทําให้เกิดทุกว่าเกิดจากอะไรเช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเกิดความทุกข์ใจก็ต้องพิจารณาว่า ทำไมบางคนเขาไม่ท awesome, ุกกับความเจ็บไายได้ป่วยทำไมเราต้องมาทุกกับความเจ็บไายได้ป่วยถ้าเราศึกษาพระอริยสัจสี่พระพุทธเจ้าก็ทรงว่าความทุกข์เกิดจากความอยากงั้นก็เป็นความอยากของเราใช่ไหมที่อยากไม่อยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยใช่หรือเปล่าพราะเวลาเราไม่เจ็บไายได้ป่วยเราไม่ทุกข์นี่พอเกิดความเจ็บไายได้ป่วยขึ้นมาเราก็ทุกข์ ก็แสดงว่าเราไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องพิจารณามักว่าแล้วเราห้ามมันได้หรือเปล่ามันสิ่งที่เราสั่งมันได้ไหรือเปล่าไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยได้หรือเปล่าถ้าเราสั่งไม่ได้มันจะอยู่มันจะเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเราจะทำอย่างไร เ, เราก็ต้องยอมรับความจริงยอมรับว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นกับร่างกายเป็นธรรมดา เมื่อเกิดแล้วเราก็ไปสั่งให้เขาหายไปไม่ได้ไปอยากให้เขาหายก็จะทุกข์ไปเปล่าๆเนี่ถ้าหยุดความอยากได้เขาจะไม่หายเราก็ไม่เดือดร้อนเราก็จะไม่ทุกข์นี่ก็คือต้องพิจารณาให้ครบวงจรพิจารณาทั้งทุกข์ทั้งสมุทยัยและมรรคถึงจะได้นิโรธนิโรธนี่เป็นคำตอบที่เราต้องการแต่การที่จะไปถึงคาตอบนั้นได้เราต้องวิเคราะห์เหตุก่อน วิเคราะห์ปัญหาก่อนปัญหาก็คือความทุกข์แล้วเราก็ต้องวิเคราะห์เหตุของความของปัญหาว่าเกิดจากอะไรเสร็จแล้วเราก็ต้องวิเคราะห์เครื่องมือที่จะมาแก้ปัญหาว่าต้องใช้อะไรเมื่อเราได้เครื่องมือมาแล้วเราก็จะแก้เห็นได้ได้ปัญญามามันก็จะระงับตัณหาได้ระงับตัณหาได้ก็จะดับความทุกข์ได้แก้ปัญหาได้การไม่มีปัญหาก็คือนิโรธ ความดับของความทุกข์มันต้องครบกระบวนการทั้ง4ี่ค่ะสขั้นตอนถึงจะเรียกว่าเป็นปัญญาเป็นการบรรลุธรรมต้องบรรลุอย่างนี้คือต้องเห็นทุกข์แล้วก็วิจัยวิเคราะห์ว่าทุกข์เกิดจากอะไรเหตุของความทุกข์แล้วเหตุที่จะมาทําให้ความทุกข์นี้หายไปทําได้อย่างไรก็คือมรรคก็คือปัญญาต้องเห็นตายหลับ เห็นว่ามันเป็นอย่างนี้ห้ามเขาไม่ได้เมื่อห้ามเขาไม่ได้ยอมรับเสียอยากไปอยากให้เขาหายความทุกข์ก็หายไปคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามพระอริยะเจ้าหลายๆองค์ที่เราเข้าใจว่าท่านได้ชาระดับใดระดับหนึ่งแต่ท่านยังสุงบุรีอยู่ถือว่าท่านผิดศีลข้อห้าเสพของมึนเมาหรือเปล่าครับ บุหรี่นี่มันไม่ได้ถือว่าเป็นของมึนเมาหม า, มากพลูบุหรีน่นี่สมัยโบราณเขาเป็นเครื่องถวายพระเวลานิมนต์พระไปบ้านนี่ก็จะมีหมากมีพลูมาถวายไม่ถือว่าเป็นเครื่องมึนเมาแต่อาจจะเป็นสิ่งเสพติดได้ถ้าไม่รู้จักประมาณในการเสพ ถ้ามีการควบคุมใจเสพตามมีตามเกิดก็ไม่ถือว่าเป็นการติดแต่สมัยนี้เนื่องจากมีเงินทองสามารถซื้อบุหรี่ได้ต้องการจะสูบกี่มวนก็ซื้อได้ก็เลยซื้อจนกระทั่งมันติดเพราะว่าเวลาไม่ได้สูบแล้วมันอึดอัดใจก็ต้องซื้อมาสูบทางโลกก็เลยไปมองเห็นว่าเป็นโทษไม่ แต่ความจริงโทษอยู่ที่คนเสพเองคนสูบเองว่าไม่รู้จักประมาณถ้าคนสูบรู้จักประมาณนี้ไม่ไม่เป็นโทษหลวงปู่มั่นนี่ท่านก็สูบท่านสูบประมาณวันละสามสี่มวนด้วยกันเท่าที่ได้ยินมาเป็นบุหรี่ที่เขาเอามาถวายท่านแล้วท่านก็สูบตอนที่ท่านสบายพักผ่อนหย่อนใจอะไรของท่านท่านก็สูบไปอันนี้ ถ้าไม่ได้สูบด้วยด้วยความอยากด้วยความติดนะถ้าไม่มีสูบท่านก็ไม่สูบก็เท่านั้นเองถ้าไม่เคยสั่งให้ลูกศิษย์ไปซื้อมาเวลาบุหรี่หมดแล้วอย่างนี้ไม่มีงั้นจะถามว่าผิดพระวินัยผิดศีลหรือเปล่าไม่ผิดศีลไม่ได้ห้ามพระวินัยไม่ได้ห้ามถามว่าติดเป็นยาเสพติดติดยาเสพติดหรือเปล่าก็อยู่ที่ผู้เสพเสพแบบติดก็ได้เสพแบบไม่ติดก็ได้ เหมือนดื่มกาแฟดื่มแบบติดก็ได้ดื่มแบบไม่ติดก็ได้อย่างเรานี่ดื่มก็ได้ไม่ดื่มก็ได้ไม่เดือดร้อนแต่คนบางคนนี่ไม่ได้มีหมดก็ต้องไปหามาไม่ไม่ได้มาก็อึดอัดหูดหงื่อนำคาญใจอย่างนั้นก็เป็นโทษกับผู้เสพเองเห็นของต่างๆนี่อยู่ที่ผู้ผู้เสพที่รู้จัก การเสกว่าควรมากน้อยเพียงไรควรหรือไม่ควรอย่างไรคำถามต่อไปจากคุณขวัญข้อที่หนึ่งหากเราปฏิบัติภาวนาอยู่ในป่าแล้วมีสัตว์ร้ายเช่นตะขาบงูจะเข้ามาทำร้ายเราและเราจาเป็นต้องทำร้ายสัตว์พวกนั้นเพื่อรักษาชีวิตตนและผู้อื่นเราจะบาปไหมคะหากบาปเราควรปฏิบัติตนเช่นไรไม่ให้จิตตก เพราะรู้สึกมีความรู้สึกผิดจนไม่มีสมาธิปฏิบัติภาวนาต่อได้ค่ะถ้าไปฆ่าเขาก็บาปแต่มีวิธีที่จะปฏิบัติกับเขาได้เขามาแล้วก็หนีไปก็หมดเรื่องหรือว่าถ้าหนีแล้วเขาจะกัดก็ยอมให้เขากัดไปแต่ว่าเป็นการใช้เวรใช้กรรมไปก็มีเท่านั้นะสําหรับผู้ปฏิบัติท่านจะรักษาศีลยิ่งกว่าชีวิตะ ข้อที่สองการละความอยากในเรื่องรูปขันดิฉันเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้โดยระลึกถึงไตรลักษณ์อสุภะมรณานุสติอาหารเรปฏิกูลสัญญากายคตาสติเป็นต้นแต่ดิฉันมีปัญหาในการปฏิบัติในเรื่องนามขันโดยเฉพาะเรื่องสัญญาดิฉันไม่สามารถผ่านด่านข้อสอบนี้ไปได้เลย หากเรามีความผูกพันกับบุคคลใดแบบข้ามภพข้ามชาติเกิดเป็นสัญญาขันเกิดขึ้นเป็นความรู้สึกผูกพันมากโดยไม่มีการมาราคะเข้ามาเกี่ยวข้องดิฉันไม่สามารถพิจารณาทมแบบรูปขันได้เลยและดิฉันก็ยังมีความสงสัยระหว่างปฏิบัติในการพิจารณาว่าสัญญาขันนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา แต่ทำไมเรายังรู้สึกว่ารู้สึกผูกพันมายามายาวนานมากกับบุคคลผู้นี้อยู่ไม่เห็นเป็นอนัตตาเลยดิฉันควรปฏิบัติอย่างไรดีคะเพื่อให้ผ่านข้อสอบข้อนี้ไปให้ได้ก็ต้องทำใจให้สงบเวลามีสัญญงสัญญามาก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปภาวนาไปอย่าไปสนใจกับสัญญาที่มาปรากฏให้รับรู้ แล้วพอใจสงบสัญญานั้นก็จะหายไปคำถามต่อไปจากคุณอูข้อที่หนึ่งทอย่างไรให้มีจิตละเอียดคะก็ต้องภาวนาเหมือนกันทำใจให้สงบแล้วจิตก็จะละเอียดเข้าไปตามลำดับแล้วถ้าจะรักษาความละเอียดนั้นให้คงอยู่ไว้ต่อไปก็ต้องใช้ปัญญา ข้อที่สองการฝึกสติมีสี่ฐานฐานเวทนากับฐานธรรมดูอย่างไรคะลองปฏิบัติแล้วดูยากคะ่ะอยากทราบแนวทางปฏิบัติของพระอาจารย์ค่ะการปฏิบัติขั้นต้นก็ต้องทําใจให้สงบก่อนเมื่อใจสงบแล้วก็ค่อยไปพิจารณาแต่ละฐานเริ่มที่ฐานร่างกายก่อนพิจารณาให้เห็นร่างกายว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นอสุภะ แล้วก็พิจารณาเวทนาให้เห็นว่าเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเพื่อจะได้ปล่อยวางไปแล้วก็เข้าไปพิจารณาอารมณ์ที่มีอยู่ภายในจิตใจว่าเป็นตายรับเหมือนกันอารมณ์ก็คือความรู้สึกรู้สึกทางใจเช่นบางวันก็อารมณ์ดีบางวันก็อารมณ์ไม่ดีบางวันก็สดชื่นบางวันก็เศร้าหมองอก็ให้รู้ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้อย่าไปอยากให้เขาหายเวลาเขาเกิดขึ้นมาโดอเวลาอารมณ์ดีก็อย่าไปอยากให้เขาอยู่เพราะเวลาเขาหายไปก็จะทุกข์อีกให้รู้ตามความเป็นจริงของเขาใจให้สักแต่ว่ารู้แล้วใจจะปล่อยวางแล้วจะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไปกับอารมณ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในภายในใจ คำถามต่อไปจากคุณรณชัยเมื่อนั่งสมาธิจนเป็นอธิกาศสมาธิแล้วเดินปัญญาตามรู้อารมณ์ที่มากระทบโดยผู้รู้เป็นผู้ดูถ้าใจไม่มีอะไรให้ดูก็มาดูกายหรือดูลมแบบนี้มาถูกแนวทางไหมครับไหนว่าคำถามใหม่ได้ฟังไม่เข้าใจเมื่อนั่งสมาธิจนเป็นอธิกาศสมาธิ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 ให้เหลือแต่อุเบกขาเหลือแต่ตัวรู้คือสักแต่ว่ารู้ถ้าใจเข้าถึงจุดนั้นก็ให้รักษาอารมณ์นั้นสภาพนั้นด้วยสติไปจนกว่าจะถอนออกมาพอถอนออกมาแล้วใจมารับรู้เรื่องราวต่างๆถึงใช้ปัญญามาพิจารณากับเรื่องราวเหล่านั้นเช่นมาออกมาแล้วก็มาคิดถึงแฟนไปห่วงแฟนกลัวแฟนจะไปมีแฟนใหม่ ก็ให้พิจารณาว่าแฟนก็เป็นไตรักษ์ไม่เที่ยงแท้แน่นอนอาจจะอยู่กับเราก็ได้อาจจะไปจากเราก็ได้เป็นอนัตตาเราไปห้ามเขาไม่ได้ถ้าเราอยากให้เขาอยู่กับเราเราก็จะทุกเวลาเขาจากเราไปเวลาเราอยากให้เขาไปแต่เราอยาเวลาอยากให้เขาไปแต่เขายังอยู่เราก็จะทุกเหมือนกันให้พิจารณาแบบนี้หลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้ว ขณะที่อยู่ในสมาธินี้ไม่ให้พิจารณาไม่ไม่ให้เกิดมีอะไรต่างๆภายในสมาธินั้นถ้ามีก็แสดงว่าใจไม่สงบถ้ามีอารมณ์มีอะไรต่างๆปรากฏขึ้นมาในขณะที่อยู่ในสมาธิก็แสดงว่าสมาธินั้นเริ่มเริ่มหมดกําลังแล้วถึงจะมีอารมณ์ต่างๆปรากฏมาให้รับรู้ถ้าถ้ามีแล้วก็ต้องใช้ปัญญาก็พิจารณาว่าเป็นตายรับเหมือนกัน พิจนาว่าเขามาแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปเขาจะดีเขาก็ชั่วไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่ต้องไปดีใจเสียใจไปรักไปชอบเขาแล้วเราก็จะไม่มีปัญหากับเขาอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าอยากจะให้ว่างก็ใช้สติบริกรรมพุทโธต่อไปอย่างเพิ่งไม่ต้องใช้ปัญญาในตอนนี้เพราะว่ามันเป็ น, เ ป, นเป็นเหมือนนิวรนมากกว่า ลีวอนที่มาขัดวขวางใจไม่ให้เข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่ไม่ให้ไม่ให้เราได้รับความสุขที่เกิดจากความสงบได้อย่างเต็มที่นั้นวเวลานั่งทำสมาธิเป้าหมายของเราต้องอยู่ที่ความว่างโดยให้มีสติอยู่กับการภาวนาเพียงอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับอารมณ์ต่างๆหรือภาพต่างๆหรืออะไรต่างๆที่มาปรากฏให้รู้ในตอนนั้นถ้าเราไปสนใจไปพิจารณา เราก็จะไม่เข้าสู่ความสงบยันอยา่าไปพิจารณาช่วงที่ทำสมถะภาวนาให้ทำพิจารณาหลังจากที่ออกจากสมถะภาวนามาแล้วคำถามต่อไปจากคุณศรีนีถามว่าปฏิบัติสมควรแก่ธรรมหมายถึงอย่างไรคะก็ถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกให้ ทำสมาธิก็ต้องทำสมาธิอย่าไปทำวิปัสนาเวลาทำสมาธิก็เอาสมาธิอย่างเดียวเวลาวิปัสนาก็อย่าไปสนใจเรื่องความสงบถ้าพิจารณาแล้วไม่ต้องไปอยากให้มันสงบแล้วพิจารณาเพื่อตัดกิเลสเพียงอย่างเดียวถ่าตันหากิเลสเท่านั้นถ้ากิเลสตันหาตายแล้วมันสงบเองอ่าแค่นี้ก่อนก็ดีจะได้แบ่งไว้พรุ่งนี้เพื่อ อ่อา่าพอดีวันนี้สังขารมันไม่ค่อยจะอำนวยเท่าไหร่ยังงั้นก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ